Mm hm mm -hmm. mm -hmm.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 ยิ่งคนเราด้วยแล้วนี่นะเราไม่ได้แค่ต้องการนะพื้นที่ที่นั่งนะนอนเท่านั้นนะเดี๋ยวนี้เราต้องการพื้นที่มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยพื้นที่หรือที่ดิ น, นมันมีราคาแพงมากคนเป็นจำนวนไม่น้อยเนี่ย เขาก็คิดฝันแต่ว่าเออนะเขาจะมีที่ดินเป็นของตัวเองไหมหรือว่ามีแล้วก็ยังใหญ่ได้อีกหลายแปลงบ้านที่อยู่นะแม้ว่ามันจะกว้างขวางโอโถงก็ยังรู้สึกว่ามันยังกว้างไม่พออยากจะขยับขยายออกไปให้กว้างขึ้นคนเดี๋ยวนี้เนี่ยก็ให้ความสาคัญกับเรื่องนี้มากขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่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 แล้วก็มันมักจะเต็มไปด้วยอะไรต่ออะไรมากมายซึ่งเรู่แล้วแต่เป็นความทรงจําที่ดีก็มีที่ไม่ดีที่ทำให้เจ็บปวดก็มีแต่คนจำนวนไม่น้อยเนี่ยก็หลงพลัดเข้าไปนะในในมุมในหลืบที่ดํามืดที่เต็มไปด้วยความคับแค้นใจหรือว่าทาให เจ็บปวดแล้วก็หลงติดอยู่ในมุมเหล่านั้นนะกว่าจองไมได้นี้ก็เหนื่อยในวันหนึ่งวันหนึ่งนะเราหลงเข้าไปนะในมุมในหลือบที่เต็มไปด้วยความทุกขนะ์กี่ครั้งแนะมาแต่ขณาที่ทำวสวหมดหรือแม้แต่ขณาที่กำลังฟังธรรมก็จะเผลอพลัดเข้าไป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 มันเกิดเพราะอะไรนะเดี๋ยวนี้เรามีความสะดวกสบายทางกายนะมากมายมากกว่าคนยุคใดนะไม่เคยมีคนยุคไหนที่จะสะดกสบายเท่ากับพวกเรานะแต่ว่าความทุกข์ใจนี่นะนะกลับมากเหลือเกินนะแล้วความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็พลอยทําให้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 แต่ว่าอัตราคนที่เป็นโรคปวดหลังเนี่ยมีน้อยนะสมัยนี้นะไม่ได้ใช้แรงนะไม่ได้ยกของอะไรเท่าไหร่นะจับจอบจับเสียมก็แทบจะไม่เคยแตะนะแต่ว่าปวดหลังกันเยอะมากอันนี้เป็นเพราะอะไรนะอาจจะเป็นเพราะว่าอ่าเป็นเพราะไม่ได้ทํางานหนักไม่ได้ออกกําลังกายนะ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 แล้ทุกพราะความคิดและความคิดมันก็เลยปรุงแต่งอารมณ์ต่างๆที่ทั้งเผารนทั้งบีบคั้นนะทั้งทิ่มแทงนะให้กลับมาสังเกตจิตใจของเรานะว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยใจเรานะฝานรุ่งปรุ ง, รงปรุงแต่งไปอย่างไรบ้างทันทีที่เรามามาปฏิบัติในรูปแบบเช่นเดินจงกรมสร้างจังหวะเนี่ยนะมันก็เพื่อเพื่อ เพื่อฝึกใจเราเนี่ยให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันจากใจที่มันล่อนเล่นะระเหเร่ร่อนนะหรือว่ า, าท่องเที่ยวสุดท้ายก็กลายเป็นระหกระเหินแล้วก็กลายเป็นกระเซกระเซมเนี่ยวันแล้ววันเล่าชั่วโมงแล้วชั่วโมงเล่าเนี่ยเราจะฝึกใจนะเพื่อให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัว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 มันจะจมเข้าไปในความคิดเลยนะจกนกระทั่งไม่รู้เลยนะว่ามือกาลังยกสังเกตไหมบ่อยครั้งเนี่ยเรายกมือไปนะแต่ว่าไม่ได้รู้สึกเลยนะว่ามือกาลังยกเดินก็เหมือนกันนะเดินใจก็เท้าก็เดินตัวก็ขยับนะแต่ว่าไม่รู้ไม่รู้สึกนะว่าตัวกาลังเคลื่อนขยับเพราะใจลอยนะใจลอยไปแล้ว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 เตือนให้จิตเนี่ยมีสติรู้ตัวขึ้นมานะแล้วพอรู้ตัวเนี่ยนะรู้ตัวว่าเผลอรู้ตัวว่าลงนะจิตก็จะกลับมาเลยนะมัน ค, คล้ายๆกับเวลาเราใจลอยนะคิดโน่นคิดนี่บางทีกลุ้มอกกุ้มใจนะเรื่องเจ็บเรื่องป่วยตัวเองเจ็บป่วยบ้างพ่อแม่เจ็บป่วยบ้างกลุ้มอกกุ้มใจเนี่ย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 อยู่กับเนื้อกับตัวผู้ยานก็นคือว่าร่างกา ย, ยมันส่งสัญญาณนะส่งสัญญาณเป็นความรู้สึกไปไปเตือนจิตให้มีสตินะและด้วยเหตุ น, นี้แหละนะสติเราก็จะดีขึ้นเราก็จะรู้ทันอารมณ์มากขึ้นเราจะไม่หลงนะเป็นท่าของอารมณ์นะเนิ่นนานอย่างที่เคยเป็น จ, จิตมันจะเป็นอิสระจากอารมณ์ต่างๆได้ง่ายขึ้นนะเพราะว่ามีมีสติเนี่ยเป็นเครื่องช่วย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 ก็คิดนับวันถอยหลังว่าเมื่อไหร่จ ะ, ะกลับสักทีนะกลับแล้วถึงบ้านจะทำอะไรจะไปกินอะไรเนี่ยจะไปเที่ยวที่ไหนอันนี้เรียกว่าใจมันไม่เต็ม้อยแล้วกับสิ่งที่ทำกับการอาบน้ำแต่ว่าใจมันคือขึ้นกลางกลางอย่าทำอย่างนั้นนะเพราะว่าทำอย่างนั้นแล้วเนี่ยสติเราก็จะเติบโตยากนะแล้วเราก็จะกลายเป็นคนฟุ้งซ่านเหมือนเดิมลองฝึกนะกับ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 ควนี้ผนนูกกับทนน้นนะครับฮะ